สิ่งอื่นตามไปเองจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเองแม้แต่การบรรลุธรรมพระเรียบุคคลเบื้องต้นเห็นพระโสดาบันก็มาเห็นกายนี่แหละกายานุปสนาสกายาทิฏฐิทิฏฐิที่มีความเห็นผิดเห็นถูกอยู่ในกายถ้ามีสติเห็นกายอยู่ตัวเนื่องจะเป็นสกายทิฏฐิเห็นถูก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 อย่างนั้นอย่างนี้ตีละครกำหนดเวลาให้ปฏิบัติต้องนั้นเข่งเวลานั่งต้อง8ปชั่วโมงตีละครผ่านั่งตีละครงพานเลิกตีละครไปขบไปฉันตีละครไปอาบน้าเข้มอาบน้ำก็ได้อยู่แต่ว่าการเข้มจริงๆนี่คือความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่ให้คนอื่นบริหารเราเราบริหารชีวิตของเราเอง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 อย่าปล่อยให้ความมุ่งครอบงำนาทีสองนาทีไม่เอาต้องตื่นตื่นในขณะที่มันม่วงรู้ณะขณะที่มันม่วงมันจะมีประสบการณ์นะบางคนก็พอง่่งเกิดขึ้นกับพลอยตามอ่อนไปเลยหมดแรงไปเลยอย่าไปทำแบบนั้นตื่นขึ้นมาทันทีในขณะที่มันม่วงตื่นขึ้นมาทันทีในขณะที่มันหลง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 อาศัยตนเองหรือว่ากรรมคือการกระทำของเราจริงๆไม่มีใครช่วยใครได้แต่ว่าแนะนาพัฒนมสอนเป็นเพื่อนกันได้เวลาใดมันผิดผู้สอนก็รู้อยู่เพราะว่าแต่พูดให้ฟังบางทีก็เห็นทียาก็บอกกันได้เขาหลงอย่างไงเขาลู้อย่างไรบอกได้ดันั้นจึงเป็นเพื่อนกันเป็นกันลยาณมิตรปฏิปธรรมกันลยาณมิตรเนี่ย